ในการศึกษาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะชีวิตของเรานี่ให้มีจิตกรรมที่เป็นการพัฒนาชีวิตของเราปล่อยปลาเราเลยไม่ได้เพราะว่าคนเราหนี่มันมีภพภูมิต่างๆดังที่เราสวดมีภพต้อยภพใหญ่มี สังเสทชาคันธชาชลาพุชะโอปปาติกะเกิดดับเกิดดับในพพกภูมิต่างๆเราคนเรานี่มันก็ใน <c oughs> ภูมมมันต่ำมีเปรตมีสุรกายมีสัตว์นรกมีเดรัจฉานถ้าเราไม่วิวัติพัฒนาก็ตกไปสู่ภูมิมันต่ำไม่เจริญไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉาน เรษฐไรชาญเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหาเจ็บจินมาแรงหายจินยาหากจินครูดจินอะไรต่างๆคนเรานี่ยทางให้ศึกษาหรือว่ามีคนเรานี่มันมีาศาสนามีาศาสน า, ามีพิธีกรรมเพื่อพัฒนาให้ ไปสู่ภภูมิมันสูงโดยเพราะการปฏิบัติธรรมเนีย่ยมันตัดภพตัดชาติได้ในคนพูดว่าคนเรานี่ไปตกนรกเท่ากับขนโคไปสวรรค์ น, นิพพานเท่ากับเขาโคพวกเราจะไม่ยอม เว่ามันทำได้อยู่จะไม่ต้องไปตกจนโลกเท่ากับขนโคถ้าจะไปจริงๆก็ให้ให้เท่ากับเขาโคไม่น้อยเอากันไว้ขนกันไว้ช่วยกันไว้ช่วยบอกช่วยสอนกันไว้ช่วยนาพาปฏิบัติอย่างว่าสุขโตนี่ช่วยกันไม่ใช่ ว่าสุขวัชิกาก็ช่วยกันปรุงอาหารสมนเณรสมนเณรดีก็ช่วยกันดูแลอะไรต่างๆพระสงฆ์องค์เจ้าช่วยกันปฏิบัติทุวสุขวัชิกาช่วยกันปฏิบัติถ้าใครมาปฏิบัติก็ถือว่าเป็นความปรารถนาของพวกเราที่สุขโตจาเห็น ปฏิบัติเห็นเจริญสติเนี่ยเป็นสุดยอดของที่นี่อื่นก็เป็นส่วนประกอบ <c oughs> โดยพวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้ขิดชีวิตของเราได้จริงๆริงเราไม่กรรเป็นของของตัวเราทำดีก็จะได้ดีเราทำชั่วก็จะได้ชั่วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆริง เราเจริญสติมันก็มีสติความหลงมันท่าทายต่อความรู้สึกตัวความทุกข์มันท่าทายต่อความไม่ทุกข์ความโกรธมันท่าทายต่อความไม่โกรธความอิจฉาพยาบาทมันท่าทายต่อความเมตตากรุณา เราจะปล่อยให้มันลอยตัวปล่อยให้มันคลองกอยคองใจเราอยู่ไม่ได้เราจึงมาปฏิบัติทรรมกันแล้วเราก็ทำได้เราก็ทำได้เรามีความเกิดเป็นธรรมดาเรามีความเจ่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา เรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เราจะโปรยให้มันเป็นไปอย่างนั้นมาใช้ชีวิตของเราให้ใหมันเกิดมากเกิดผลไม่ใช่ไปยอมรับรอวันตายรอวันแจ่บรอวันเจ็บไม่ได้เราต้องมาใช้ชีวิตทําใหนเป็นประโยชน์ก่อนที่เราจะแก่จะเก็บจะตายมันก็เป็นประโยชน์เป็นมอกเป็นผลช่วยคนอื่นได้เยอะ ช่วยกันได้มากชีวิตของเราเรามานกนช่วยได้จริงๆริถ้ามองสวนกันบ้างมัามีความเกิดมันก็ต้องมีความไม่เกิดแต่มีความแจ่มันก็ต้องมีความไม่แจ่ถ้ามีความเจ็บมันก็ต้องมีความไม่เจ็บถ้า ม, มีความตายมันก็ต้องมีความไม่ตายนี่การมองแบบสิท ธ, ธัตถะ สมัยเป็นเจ้าพ่าชายไม่ยอมไม่ยอมเรื่องนี้หาคำตอบให้จนได้แล้วก็ตอบได้มาประกาศอยู่ตลอดทุกวันที่ถึงมรึงผลได <c oughs> ้วิธีที่เราปฏิบัติอยู่นี่นะคือเราไม่ยอมรับเราไม่ยอมรับจน ไม่ต้องทำอะไรจนค้นพบความไม่เกิดความไม่แจ่ความไม่เจ็บความไม่ตายเหนือการเกิดแจ่เจ็บตายทีที่ปฏิบัติที่เราทำอยู่เนี่ยจเจริญสติอยู่เนี่ยมันถ้ามีสติมันมันเห็นเห็นมันเกิดเห็นมันเจอเห็นมันเจ็บเห็นมันตายมันเกิดอะไรบ้าง จะจะเป็นภาษาของการเกิดกำเนิดสังเสรชะกันชะชะจาระพุช ะ, ชะชโอปปาติกะมันเกิดมากันเกิดในภพภูมิโดยเพราะปฏิบัติทำมันเป็นโอปปปาติกะเกิดเป็นพระขึ้นมาเกิดเป็นพระขึ้นมาเราให้กำเนิดเกิด ความเป็นพระมีสติมีสมัยฉันยะแต่จะให้กำเนิดเกิดเป็นเทวดาความความละอายตกความชั่วไม่กล้าคิดชั่วไม่กล้าพูดชั่วไม่กล้าทำชั่วกลัวหวอบชั่ ว, ว, มวไม่ไปแตะต้องเบือ่อนายความชั่ว จะคิดก็ไม่กล้าจะพูดก็ไม่กล้าจะทําก็ไม่กล้าในีพบภูมิของเทวดาในเทวดธรรมในเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อทุกสัตว์สิ่งก็เป็นพบภูมิของพรหมแต่บางผู้บางคนไม่มีพบภูมิอย่างนี้เลยทําชั่วได้ง่ายทําดีได้ยากในความอิจฉาพยาบาดเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือน ไม่มีความสุขในแต่ทุกมีแต่เกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่เป็นภูมิอย่างนี้มันก็เกิดเป็นประโยชน์ถ้าเป็นความสุขก็มีความสุขเพราะความเมตตากรุณามีความสุขเพราะการทําความดีมีความสุขเพราะมีสติสมชัญญะมีความสุขเพราะมีกิจบริสุทธิ์เนี่ยเพราะว่าที่ไม่เกิดไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช่ความสุขเพื่อมีสินจ้า อะไรเรามาเอาภพภูมิถ้าภพภูมิควรเป็นพระก็ประเสริฐไม่เปิดไม่เพื่อนกับสิ่งใดคนมีสติไม่เปิดไม่เพื่อนกับสิ่งใดภพภูมิของพระผมไม่จันไม่เปิดไม่เพื่อนไม่เปิดไม่เพื่อนกับความสุขไม่เปิดไม่เพื่อนกับความทุกข์ไม่เปิดไม่เพื่อนกับความโลภโกรธหลงไม่เปิดไม่เพื่อนกับความรักความชัง มีเตสติรู้ดูเห็นไปเห็นอะไรก็ได้ถ้ามันจะมีในกายในจิตของเรา้าเห็นแล้วก็ไม่เปื่อไม่เพื่อนเป็นผมไมจันผมไมจันนี่เป็นรสชาติของชีวิตน่าดื่มเหมือนมันด่าอยอดโอชาแห่งโครถมันดะยอดโอชาแห่งโครถโครตเน่ยเขาว่าโครเท่าไหร่ โคห้ารอยพันตัวเอามาเอาเป็นเตยเป็นนมให้มันผสมกันให้มันยอดหลายหลายอย่างกันกรองเอามันดะเนยไม่ใช่เนยยอดโอชาแห่งโครสในแต่น้ำนมโคห้าร่อยพันตัวเอาไปลดหน่อมาสีมหาูที่ ข้าตายพระเจ้ า, าโศกพราราชเอาไปลดหน่อโพก็เกิดขึ้นมา น, นี่พมาัดหน้าดื่มเหมือนมันดะยอดโอชาแห่งโครถว่าบริสุทธิ์ใจอ่าก่อนที่จะแก่เจ็บตายให้มีสิ่งเหล่านี้แต่ก่อนที่จะมีเราต้องสร้างเอาขอไม่ได้ การสร้างสิ่งเหล่านี้นี่แหละกรรมฐานวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ลิขิตทำรู้เราก็รู้ได้จริงๆแต่รู้มันก็ไม่หลงจริงๆขอให้มีความรู้เป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนอย่าให้มีความหลงเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือ น, นเราจะปล่อยปะละเลยไม่ได้เพราะชีวิตของเรามันมีความทุกข์เป็นเบื้องหนะ้า ความทุกข์อย่างเอาแล้วความไม่สบายกายความไม่สบายใจความครับแค้นใจความพลาดพลากจากของรักของชอบใจถ้าเราไม่เห็นไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นตั้งแต่บัดนี้มันจะไม่รู้จักเตรียมเนื้อเตรียมตัวมันจะเป็นทุกข์แสนสาหัสมันไม่ใช่ชีวิตแต่ความทุกข์ความไม่ทุกข์ความรู้สึกตัวเน่ยมันชีวิตมันไม่เป็นอะไรกับอะไร เราจะปล่อยให้มันเป็นไปตามภพภูมิต่างๆไม่ได้เราต้องอยู่เหนือภพภูมิเพราะวะาภาวะแปลว่าภพภูมิกรรมฐานเหมือนหลักหลักอยู่กลางน้ำที่มันไหลเราเกาะไว้แม้เรายังไม่ขึ้นฝั่งก็ยังพักผ่ได้รู้สึกตัวเป็นการพักผล ้ยืนไว้ไม่แหวกไม่ไหวไม่มุดไม่โผล่้อยคออยู่ได้รู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่ในวัตตะต่างๆมันหลงก็รู้มันสุข ก, ก็รู้มันทุกข์ก็รู้ที่มันเกิดดับเกิดดับรู้ไห้รู้ไว้เอาไปเอามาความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวที่มันมีฐานมีหลักมีที่เกาะที่ ยืนไว้เนี่ยมันก็ไม่สิ้นเปืองพลังงานไม่สิ้นเปืองไม่เข้าไปสู่พบปูบต่างๆทวนเอาไว้การทวนแบบเนี้ยจะเรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติคือทวนคือกลับไม่ไปกับอะไรง่ายง่ายเนี่ยเอาไปมามันก็เจ็งขึ้นมาเห็นความเป็นจริงที่ผ่านหน้าผ่านตาลหลายๆอย่าง มันผ่านให้เราเห็นมันหลงกว่าผ่านให้เราเห็นมันสู่มันทุกขกวผ่านให้เราเห็นมันเกิดขึ้นอะไรต่างๆเกี่ยวกับกายกับจิตใจมันก็นให้เราเห็นอยู่มันไม่รับไม่ลีผู้มีสติสัพพัญญาก็ดูเอาฉลาดเอาความหลงก็ทําให้เราฉลาดทําให้เราเกิดความรู้ความทุกข์ก็ทําให้เราฉลาดทําให้เราเกิดความรู้ ือความทุกข์เนี่ยถ้าเริงในความรู้จริงๆ ก, ก็เป็นมรรคผลในผ่านได้เช่นพระพุทธเจ้าของเรานะ่ะความทุกข์แต่แท่ทำห้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าแต่บางทีเราไม่ไม่มีวิธีปฏิบัติความทุกข์ทำให้เป็นปุตตุชนความทุกข์ทำไมเป็นผู้ปุบรัตตเป็นนรกก็ได้แต่พระพุทธเจ้าเน่ะความทุกข์ทำห้เกิดเป็นพระพุทธเจ้า มองทุกข์ให้เห็นมองทุกข์ให้เป็นจะเป็นพุทธะได้มันรู้วันตื่นก็้โหมาเห็นทุกข์ไม่ใช่ของเล็กน้อยเป็นการเห็นอย่างประเสริฐถ้ามีสติก็ไปเห็นพอเห็นมันก็ไม่เป็นเป็นปัญญาพูดแล้วพูดึกเการเห็นทุกข์เนี่ย มันเป็นปัญญาไม่ใช่ทุกเพื่อสร้างความทุกขความทุกขต่อไว้ให้เกิดเป็นทุกข์ความหลง Relax ต่อไว้ให้เกิดเป็นหลงความโกรธต่อไว้ให้เกิดเป็นโกรธมันเป็นเช่นนั้นไม่ได้แล้วคนบางคนก็เป็นเช่นนั้นชีวิตบางชีวิตก็เป็นเช่นนั้นบัดนี้เรามาศึกษาตรงนี้ความหลงต่อให้เกิดความรู้สึกตัว เปลี่ยนมาหมดเลยเปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยมันเปลี่ยนอะไรมาเป็นความรู้สึกตัวนะมันมันมันชอบมันเป็นความชอบมันเป็นความชอบทำที่สุดชีวิตเราก็ต้องให้มีทางแบบนี้แ้่เราไม่เป็นอย่างนี้มันก็เสียเสียชาติเก่งๆไม่มีค่าอะไรเลยมีแต่รังให้เกิด ทุกเกิดโทษเจ้าตัวเอง ม, มีหลักมีฐานมีการใช้ชีวิตแบบนี้แต่ถ้าฝึกหัดนะถ้าไม่ฝึกหัดมันก็ไม่เห็นไม่เป็นเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ฝึกหัดมันต้องผ่านการฝึกหัดการฝึกหัดก็คือวิชากรรมฐานนี่มันทำให้เราฝึกหัดหลายฉากหลายบทหลายตอน มันลงก็เห็นมาเป็นตัวลูกซะง่วงเอาจรานอนพอเปลี่ยนมาเป็นตัวลูกอยาให้ไม่เป็นอื่นไปถ้าไม่ปฏิบัติไม่กลับไม่แก้ไม่เปลี่ยนไม่โต้ไม่โตบไม่ทักไม่ท้วงก็ง่ายเกินไปไม่เลกมวนสงวนตัวก็ง่ายที่จะไหลไปกับอาการต่างๆจึงมาฝึก ตัวเองนี่เลยมาฝึกฝนตนเองโอู่หลวงปู่เทียนนะมาสอนแบบนี้ไม่เคยมีใครสอนเราสอนให้มีความรู้สึกตัวเอากายมาสร้างความรู้เอาใจมาสร้างความรู้แต่ก่อนเอากายไปสร้างอะไรเอาใจไปสร้างอะไรตะเปะตะปะไปเลยแบบนี้มาสอนให้เกิดความรู้สึกตัวเนี่ยไม่เคยเห็นใครมาสอนแบบนี้เลย ไม่ไตสอนใหนั่งหลับหูหรับตาสงบไปปฏิเสธเลยทั้งหมดไม่ดูแลตัวเองตัวเองมันหมกหมมอยู่กับอะไรดูมันไม่เคยเห็นผมม่าลืนหูลืนตาตาภายในของเราคือความรู้สึกตัวนะว่าแต่เราตั้งหลักให้ดีๆนะอย่าพลัดเข้าไปกับมันง่ายๆมันหลงก็เห็นนั่นะนะตั้งหลักไปมีหลักเด้ว ถ้ามันหลงเป็นผู้หลงไ ม, ไม่มีหลักไม่มีหลักโคตรไปแล้วไปแล้วไปกับความหล ง, ลงแล้วไม่มีที่เกาะก็มาฐานตามรูปแบบของบัพพิการเจริญสติมันเกาะได้จริงจอ่งแต่มันง่วงเกิดขึ้นนี่ยก็เกาะเอาไว้เกื่อหนนไว้มันเพียงพอที่จะปลูกความรู้สึกขึ้นมาให้มันตื่นขึ้นมามันอ่อนแอตรงไหนเข้มแข็งตรงนั้น มันผิดตรงไหนเข้มแข็งตรงนั้นสอดรู้สอดเห็นแล้วก็ทำได้ความรู้สึกตัวมันทำได้มันจะฟื้นขึ้นมามันจะฟื้นขึ้นมาเอาไปเอามาตัวรู้สึกตัวนี่หละเป็นตัวที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรอ่่มันเก่งขึ้นไปพัฒนาตัวเองขึ้นไปนี้แหละว่าไม่เกิดไม่เจ่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ว่าผมรู้สึกตัวสติปัฏฐานเนี่ย น่แหละที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันไม่เป็นอะไรกับอะไรเห็นหมดเลยเห็นการเกิดเห็นการแก่เห็นการเจ็บเห็นการตายมันตายแบบไหนมันเกิดแบบไหนเกิดดับเกิดดับมันเกิอดอย่างไรกำเนิดอันเกิดดับเกิดดับแบบนี้กนะนที่มันจะเกิดในคันทะคะสังเสตชะมันต้องเกิดตรงนี้ ไม่ใช่ไปเกิดตรงนั่นผุดขึ้นมาไม่ใช่แล้วก็ปฏิบัติเราลู้อยู่เลยมันก็คุมกำเนิดของการเกิดแบบนั่นขึ้นมาใชามันจะเกิดก็เกิดเป็นพระได้ว่าโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นเกิดเป็นพระได้เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมเทวดาไม่ใช่เทวดาแบบเทวดาเป็นคุณธรรม ผมก็เป็นคุนธรรมเป็นคุนธรรมไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่รูปอะไรไม่ใช่รูปรูปปงนะคนที่มีคุณธรรมช่วยกันและกันได้หลวงพ่อก็เคยเจอเทวดามันกันจำไหม้าไปกรุงเทพเดินทางเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปพัก วัดเพื่อนว่รไปวัดถึงวัดเพื่อนเรามันหมดแรงก็นอนเลยคุยกันแล้วก็นอนแล้วก็หลับพอตื่นขึ้นมาเนี่ยเห็นมุ่งครอบตัวเองอยู่แสดงว่าเทวดาก็มองแบบโอ้เทวดามากางมุ่งให้เราเนาะนะเทวดาก็คือพระพระสุนทร เดี๋ยวนี้ก็เป็นครูสอนโรงเรียนอยู่บ้านโคกกรุงเนี่ยเคยเคยบวดพร้อมกันเพราะไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพนี่เทวดาช่วยเราเทวดาไม่ใช่เป็นอากาศเป็นอะไรต่างๆอนนั้นก็เทวดาก็ได้เทวดาอากาศดีนี ลูกขาเทวดาต้นไม้ล้มไม้ใหญ่ๆโอ้ยไปนอนนกไปนั่งไปนอนนกหนูได้กินลูกไม้ได้ก็อาศัยได้สร้างความชื่นให้ฝนตกเออมันก็เป็นเทวดาได้ภูมิเทวดาที่อยู่อาศัยมีอาหารปลูกมีเห็ดเกิดมีหน่อไม้มีอาหารมีผักนี่หลลูก ภูมิเทวดาอยู่ที่ไหนดินอุดมสมบูรณ์อย่าไปมองอะไรที่ไม่ใช่คุณธรรมถ้าดินมันก็มีคุณธรรมต้นไม้อะไรต่างๆคุณธรรมนั่นแหละเป็นเทวดามีอยู่กับคนคนก็ช่วยคนถ้าเปรตอยู่กับคนคนก็ทําลายกันถ้าผีอยู่กับคนคนก็ทําลายกันเพราะไม่มีคุณธรรมเรามาเป็นเทวดา เป็นคนที่ใจดีแล้วความชั่วแล้วอายความชั่วไม่กล้าช่วยกันทำดีได้ยากทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากอแล้วก็ช่วยกันได้จริงแล้วอยู่กับเราคื อ, อเลยเขวดาก็ช่วยเราไม่กล้าคิดชั่วไม่กล้าพูดชั่วไม่กล้าทำชั่วพรมก็ช่วยเรามีเมตตากรุณาไม่มุติตาเปคขาคราใดที่ คิดอะไรพูดอะไรทํำอะไรเมตตาการุณาแล่นออกไปก่อนแล่นออกหน้าก่อนเลยพูดเชิงใดทำเชิงใดคิดสชิงใดประกอบด้วยเมตตานะพระพรหมช่วยเราไม่มีคําว่าอิจฉาเบียดเบียนเนะี่ยคุณธรรมไม่ได้คิดอาฆาตพยาบาทเปลี่ยนเบียนเขาเห็นปิดจากทตานองคลองทำโลกอ่า พยาบาทเขาไม่มีแล่นออกไปโดยคนธรรมเป็นพระคุณพระก็ช่วยเราคนธรรมในช่วยเราเราน้องอยู่ที่ไหนก็เทวดาช่วยเหมือนกับเทวดาอยู่ก็ต่างเทวดาคือคุณธรรมบางทีเราทําเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาได้ คุณธรรมต่างๆที่ไม่เคยมีเกิดขึ้นมาเคยหลงอาเป็นความรู้แล้วความรู้สึกตัวช่วยเราบาทีมีความมันคงเป็นปกติไม่หวนไว้อา้าวศีลมาช่วยเราไม่เคยเห็นศีลช่วยเราเลยเอาบุญคือใจดีมาช่วยเราคิดช่วยทุกข์ใจร้ายไม่มีใจดีช่วยเรา ช่วเราเรไม่พอช่วยอะไรอีกหลาย อ, ยาอ่ะเกิดขึ้นมาเราจะทํำยังไงจึงจะให้เกิดคุณธรรมในผู้ในคนเพื่อให้คนไปช่วยเราสอนในคนไม่บุญบุญที่อยู่กับคนก็ไปสร้างบุญให้เกิดบุณณมเเราเดินธรรมญาติทางหลวงพ่อประกาศไปชวนผู้คนมาทําบุญกับดิน ชวนผู้ชวนคนมาทำบุญกับน้ำชวนผู้ชวนคนมาทำบุญกับต้นไม้ป่าไม้อากาศแล้วน้ำมีบุญคือน้ำมันใสมันดีมันบริสุทธิ์น้ำก็ไปช่วยคนดินมันดีไม่ทำลายด้วยสารพิษดินมันดีดินก็จะด้วยช่วยคนปลูกข้าวปลูกของงอกงาม อากาศมันดีอากาศก็จะได้ช่วยคนป่าไม้มันดีต้นไม้ก็จะได้ช่วยคนคนมันดีคนก็จะด้วยได้ช่วยคนให้มีแต่บุญให้มันเกิดขึ้นบุญจึงเป็นเครื่องค้ำจูดโลกมันก็เกิดจากพวกเรานี่สร้างขึ้นมาไม่ต้องไป งอมือขออ้อนบออะไรต้องมาสร้างให้มีน้ำใจดีๆสิแต่โกนก็ไม่เคยรักอะไรมากมายพอมาปฏิบัติทรมันไม่เมตตากรุณาลักทุกสิ่งทุกอย่างรักเม็ดหินเม็ดสายลักต้นไม้ลักอากาศไม่กล้าทำลายลักผู้ลักคนไม่มีขอบเขต ลองดูสิความเมตตาการุณาทุ้มันสุดซึ่งนะมันอยู่ไม่ได้มันจะไปอิจฉาเบียดเบียนกันได้อย่างไรน่สร้างขึ้นมานีา่ชีวิตแบบนี้ชีวิตไม่ตายชีวิตไม่ตายชีวิตไม่เกิดชีวิตไม่แก่ชีวิตไม่เจ็บเรื่องความความเกิดความเจ็บความแก่ความเจ็บ ค, ค, ค, ค, ความตายที่เราเห็นนั่น มันเป็นอันหนึ่งมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของธรรมะไม่ใช่เรื่องของมรรคของผลมรรคผลจริงๆคือคุณธรรมนะเร า, าสร้างขึ้นมาเริ่มต้นจากการที่เราสร้างอย่นีน้จะเลื่อสติเนี่ยไปไกลนะผมรู้สึกตัวนะอย่าประมาทผมรู้สึกตัวไปอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่าง ผมรู้สึกตัววิวัฒนาไปวิวัฒนาไ ป, าไปแล้วก็อย่าไป <c oughs> สำคัญมั่นหมายกับตัวเราสำคัญมั่นหมายกับคนอื่นว่าเเราไปเหมือนเขาเขาไม่เหมือนเราท่านเป็นพระเราเป็นโยมท่านเป็นบุรุษเราเป็นสตี การเป็นคนมีบุญวาสนาเราเป็นคนไม่มีบุญวาสนาอย่าไปคิดแบบนั้นการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเสมอภาคการสร้างความรู้สึกตัวให้ความเป็นธรรมต่อทุกสรรพสิ่งเราอย่าไปอ้างเราไม่มีเงินไม่ีท้องไม่มีข้าวมีของไม่ได้ทําบุญให้ทานเคยคิดแบบนี้เหมือนกัน ทำไมปฏิบัติใหม่ๆ ม, <c oughs> มักจะเอาความคิดเรื่องนี้ไปขวงกันยิ่งหลวงปู่เทียนเนี่ยท่านพูดที่ใดท่านก็พูดว่าเงินโลยเงินผันหายากเงินหมื่นเงินแสนหาง่ายท่านพูดแบบนี้ท่านก็สร้างโบสถ์คนเดียวท่านพาไปดูบ้านนะ อะไรผ <c oughs> าเบ็ดการทำบุญล่อง้อยแห่งการทำบุญบุญบวชบวชทุกปีบุญบ้านก็ทำทุกปีบุญกระถินก็ทำทุกปีสร้างโบสถ์สร้างพะระหล่อพระทำทุกปีแต่เราไม่เคยได้ทำแม่แต่บุญบ้านก็ไม่ค่อยได้ทำเพราะมันจนการทำบุญแบบนั้นต้องมีเงินมีทอง มีเข้ามีของมีเครื่องใช้ไม่ส้อยต่างๆเราไม่เคยได้ทําบุญแบบนั้นหรือจะเป็นเพราะเหตุนี่หนอเราปฏิบัติทำไม่รู้อะไรจนได้พูดออกปากกับหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนจับมือเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการทําบุญแบบนั้น กรัถฐานไม่ได้เกี่ยวไม่ต้องมีอะไรมายกมือสร้างจังหวะให้ลูกศึกตัวนี่หลงพ่อก็บอกว่ า, วาอาตมาลูกธรรมะไม่ใช่ลู้แบบนั้นอัตมาทำบุญกรถินอัตมายังโกรธของพ่อเทียนก็เล่าให้ฟังเวลาจะทำบุญกระถินก็ตกลงกับภรรยาของท่านกับลูก ผมก็เทียนก็นุ่งขาวถือขาวนั่งรับแขกให้เมียให้แม่บ้านแม่เทียนเป็นคนรับผิดชอบการใช้จ่ายอาหารการกินค่าอะไรต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินจ่้ทองใช้เท่าไรใช้ลงไปไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมด พอดีพอทาบุญแล้วแม่เทียนมาถามจะให้ค่าหนังเท่าไหร่ค่าหมอลาเท่าไหร่พ่อเทียนเี่โกรธตึบขึ้นมาเลยฮะตึบขึ้นมาเลยหลวพ่อเทียนเล่าให้ฟังโอ้โกรธตึบขึ้นมาขนาดนั้นแขกก็ยังไม่หนีไปไหน อาจจะว่าก็ก็ก็เสียมารลย์อหนักเอาไว้อสัญญากันแล้วทำไมมาพูดแบบนี้นเสียใจมากมาถามกันก็เจ็บข้าวเจ็บของเลียกแม่เทียนมาแบบคนโกรธคนโกรธเลียกคนโกรธมาดา่าเลียกคนที่โกรธมาดา่าอ่า แม่เทียนทำไมจังทำอย่างนั้นบอกแล้วนะพูดบ้าบ้าหมาหมาไม่รู้อะไรแมเทียนก็พูดว่าโอ้ยพ่อเทียนคอยก็ถามเจ้าเท่านั้นนอ้อเจ้าสิกโกดใช่บอเจ้าเนี่ยก็จะทุกข์ตอนน้อเนี่ยทำบุญแท้ๆเจ้าก็ยังทุกข์อยู่นอ้อพ่อเทียนเอ้ย ขอให้กระถามเจ้าเท่านั้นน้อเจ้าทําไมโกรธจังเลยทุกกันแล้ ว, จลลวเจ้าล่ะทุกแท้เจ้าน่ะขอเทียนเลยโอ้ยแม่แล้วแม่แล้วแม่เทียนเอ้ยคอยทุ ก, กิงกิงโอ้ตั้งแต่วันนั้นมาอะไรมันคือบุญบุญมันคืออะไรทำบุญอยู่ยังทุกอย่า ง, กงโกรธให้แม่เทียนเน่ยเหตุที่ที่หามบุญน่ะ เขาเถียนเลยพูดเรื่องนี้ว่าโมแมนบโมเนอย่าไปเอาเรื่องนั้นมานี่ยเจริญสติเนี่ยแน่นอนที่สุดเฮ้ยสร้างหมโนนว่าไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้เลยบัดนี้ผมมาปฏิบัติธรรมได้บุญจริงๆใจมันดีกว่าเก่าไม่โกรธเลยไม่ทุกข์เลยเนี่ยแค่นั้นเนี่ยอย่า เอาอะไรมาขวังขั้นต่อนลองกับการปฏิบัติเลยไม่มีอะไรต่อรองการปฏิบัติเนี่ยนี่แต่การกระทําลงไปสร้างสติลงไปสร้างสติลงไปอย่าเอาเพศวัยมาต่อรองผมก็เป็นนักปวดครูอาจารย์ผู้สอนเราเป็นนักปวดเราเป็นครูบาศเราไม่มีลูกไม่มีเมีย ทำไมเอกมาต่อรองเราเป็นคนยากคนจนเรามป็นคนเป็นผู้ไม่มีบุญวาสนาในต้องเอาการกระทาเอาการกระทายกมือขึ้นมาลู่สึกตัวทําใจทําใจไปให้ลู่สึกตัวให้ลู่สึกตัวปลอยอย่างนี้นะนี่เลยว่าลิขิตให้เชื่อมั่นคําสอนพระพุทธเจ้า อย่าไปทำอย่างอื่นอย่าไปพัดหลงไปอย่างอื่นให้มีศรัทธาต่อการปฏิบัติพระพุทธเจ้าเราก็ทำแบบนี้พระองค์ยังไปนั่งอยู่ใต้ต้นศรีมหาโพธิเป็นกษัตริย์ด้วยถ้าจะเปรียบเหมือนคนสมัยนั้นเขาก็หาว่าคนบ้าเนาะรู้ไหกษัตริย์เนี่ยโกนผมไม่ได้แต่โกนผมก็เสียสศักดิ์ศรีพระเจ้าเลยโกนผม อา้าวนุ่งถอดเครื่องประดับให้ชาวบ้านเวลาเดินเข้าป่าหลงไปกับมา ช, ชนะกะถอดเครื่องประดับให้ชาวบ้านเอาผ้าย้อมฝาดมาหม่มในบาทขอทานเลยโอ้พระเจ้าสจ้โททนะติ้วโกรธใจเลยดูหมิ่นดูถูกตก่อลูกของมหาษัตย์ ดูสิมันจะสวนทางขนาดไหนเคยอยู่พระราชวังปราศาสตร์สามฤดูไปนั่งอยู่ใต้ต้นศรีมหาโพนี่ดูสิมียญาคานายสดทิพามสดเทียพามเป็นผู้ถวายให้ไปปูนั่งถ้าจะเปรียบเทียบพระองค์คงจะเปรียบเทียบรุนแรงว่าเรา เรานี่ไม่มีอะไรเปรียบเทียบหนักเหมือนพระพุทธเจ้าเราทุกบางคนก็ขับรถเก๋งมาขับรถอะไรมาอย่างดีฮะไม่ต้องมีเปรียบเทียบกันนั้นเราก็มีเพื่อนมีมิตรมีครูอาจารย์มีเพื่อนมีมิตรสมบุรณ์แบบอุปปสกบปสิกาภิกษุสงฆ์กติศาลาที่อยู่อาศัยอาหารการชิน มันสะดวกแล้วอย่าไปอ้างพวกเราอย่าไปอ้างแล้วพวกเราก็สร้างวัดขึ้นมาเพื่อการนี่โดยตรงไม่ต้องไปของแวะเกรงอกเกรงใจอยู่ได้หรือเปล่าคนนั้น่อย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปเอาคนอื่นมาอ้างอีกคนนั้นดีคนนี่ไม่ดีคนนั้นพูดฉันไม่ชอบคนนั้นพูดชอบฉันเป็นเพื่อนกับคนนั้นฉันเป็นศัตรูกับคนนี่หยุดเลย อย่าไปเอามาอ้างขวางกันอะไรก็ตามเรามาปฏิบัติเรามาเจริญสติความมุ่งหมายของพวกเราคือตรงนี้อย่าเอาอันอื่นมาอ้างมาเจริญสติเอาเลยแต่ว่าเราทำได้ให้พอกลางๆไม่ใช่ว่าบางทีเขาก็เอาเป็นตัวไปส่งถึงกติ ท, ที่อยู่อาศัห้องน้าห้องส่วมที่เดินจงกรมอยู่ตรงนั้นเลย นี่เราก็ไม่ทำเพืงอเปนนั้นพวกเราช่วยกันแบบนี้อย่าให้มันอคนอื่นช่วยจนเกินไปมันจะเกิดการอ่อนแอให้ไปให้มาให้พูดให้จาให้เดินไปกบไปฉันให้เดินมากติของตนให้ช่วยตัวเองถ้าคนอื่นช่วยเกินไปมันก็อ่อนแอปิดบังตัวเองเก็บเงียบเกินไปก็อ่อนแอ โอก็ให้มันได้ยินมีสติตาก็ให้มันเห็นให้มีสติคนเนนทาก็ให้เลยรู้มีสติคนเฉนละเฉินก็รู้มีสติมันจะลอยๆสักหน่อยมันจะเข้มแข็งน่าจะทําให้อินรียแก่กล้าได้มาเนี้ย <c oughs> นี่เราฝึกทุกสถานาการณ์ลอยๆสักหน่อยการปฏิบัติธรรมอย่าเรียกร้องอะไรมาก อย่ออนแออะไรมากกระทบกรเทือนนิดน้อยก็วันไว้ไม่ได้มันจะเข้มแข็งตอนที่อ่อนแอมันจะขยันตอนที่เป็นงานเป็นการเหมือนหลวงพ่อพูดเมื่อวานขยันตรงไหนขยันตรงที่มันหลงขยันตรงที่มันโกรธเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ขยันแล้วเพียนแล้วเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธนบว่าขยันตรงนั้น เปี่ยนความทุกข์เปนความไม่ทุกข์ขยันตรงนั้นเวลามันง่วงเมาหาัวนอนมันทับถมความรู้สึกตัวขยันชูโชูความรู้สึกตัวให้มันเด่นขึ้นมามันจะกบเกลื่นให้มันหายไปก็ขยันตรงนั้นเพียนตรงนั้นเอาหลายๆแบบเืิดตาขึ้นมามองท้องฟ้ามองยอดไม้อามความรู้สึกยืดตัวขึ้นบั้นเอวหน้าอกต้นคอไว้หน้า ให้หลายๆอย่างโชว์ความรู้สึกตัวให้มีในกายในกิตของเราในการกระทาของเราตอนที่เราขยันขยันตรงนั้นเป็นพิเศษแล้วก็ภูมิใจนะเวลาใดที่เราเปลี่ยนเห็นมันง่วงเรามีสติพ้นจากขวา ม, ม่วงเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆได้โอ้โอเรียกว่า ทำได้ทำเป็นเวลามันหลงเปลียนความหลงเป็นความไม่หลงมันจะมีบทบาทตรงนั้นด้วยจะเก่งไปเรื่อยๆเก่งไปเรื่อยๆนะไปอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมนะนี่อย่าเอาอะไรมาขวางกันพวกเราให้สิทธิเสรีภาพให้เป็นอิสระส่วนตัวในการปฏิบัติท่านหลงท่านก็เปลี่ยนความหลงเอาเอง ท่านอยากมีความรู้ท่านก็สร้างความรู้เ อ, เองอย่างอมืองงอเท่าขอโ้องติตัวตำเนิโทษตัวเองพอหลองเราก็เสียใจไม่ใช่ถ้าปฏิบัติจริงๆพอหลองมันจะยิ้มหัวเราะความหลงพอทุกนจะยิ้มหัวเราะความทุกมองตอนเองแบบสนุกสนุกมันก็เกิดกับเรานี่ อย่าไปโทษแม้เกิดกับคนอื่นคนอื่นทาเราโกรธก็อย่าไปโทษเขาก็มาดูเรามาดูลองถ้าจะโกรธให้ความถ้าจะโกรธก็โกรธให้ความโกรธอย่าไปโกรธคนที่เขาทําให้เราโกรธโกรธให้ความโกรธโกรธให้ความยากความจนโกรธให้ความอดอยากหลวงพ่อเคยโกรธให้ไฟไหม้ป่าบาปไมเนย โกรธให้ไปไม่ป่าหาวิธีที่จะไม่ให้ไฟไม่ปล่าโกรธหมดเวลาใดเขาเล่าเรื่องไปม่วัดป่าสุก โ, โตนี่โอ้ยโกรธนะเพียรพยายามที่จะเอาชนะไปไม่เปลเออไอ้นี่โกรธให้ความจนโกรธให้ความโกรธโกรธให้ความโกรธด่ด า, ดดาตัวเองว่าเอ้ยเท่านี้ก็โกรธแล้วเลยนะมันจะทาอะไรได้ โกรธให้ความโกรธมันก็ดีนะแต่การปฏิบัติธรรมมันตอบโต้ตอบทักท่วงตรวจสอบเอาตัวมันล้วเปลี่ยนมันเอาตัวมันสอนตัวมันมันอยู่ในตัวเดียวกันมีสติดูกิตมีกิตดูกิตเสร็จเลยเอาในจิตมันก็ดูกิตของมันนะมันไม่มีทางไปไหนแลยปฏิบัติธรรม ปฏิบัติทำมันในตัวของมันเลยในความโกรธมันก็มีควมไม่โกรธต่ความหลงก็มีควมไม่หลงสบายไม่สบายการปฏิบัติอย่าไปมองคนละทิศละทางมองออกไปทางอื่นไม่ได้คนนั้นทําให้หลงสิ่งนี้ทําให้หลงในตัวเราก็มันเวลามันหลงกับตัวเราเองทําให้หลงกับลุกขึ้นมาเองมันง่ายง่ายถ้าเราทําผิดคนอื่นมาว่าเราเราทําผิดโอ้ยก็ง่ายงายคือเออขอโทษขอโทษ มันหลงไปมันลืมไปไม่ได้เจตนานะง่ายกลัวที่จะไปให้เป็นเรื่องเป็นเล่า